วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ากันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการจึงในเวลาว่างที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญ เพราะมีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็อยู่ที่ การที่เรามีบุญหรือไม่มีบุญจิตใจเราจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ก็ อ, อยู่ที่การมีบุญหรือไม่มีบุญความสุขใจความทุกข์ใจนี้อยู่ที่บุญของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอ ง, ทงต่างๆเร่งพวกเราอาจจะคิดว่างานมีทรัพย์สมบัติเข้าถองเงินทองแล้ว จะทำให้พวกเรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาถึงแม้เราจะร่ำรวยมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังขาดความสุขกันอยู่เราก็ยังรู้สึกว่าเรามีความทุกข์กันอยู่ เพราะว่าสิ่งที่จะให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข์จริงๆนี้ก็คือบุญเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทําบุญชนิดต่างๆกันซึ่งที่บุญชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน <Yeah. S 1> ที่เราจะแบ่งไว้เป็นสอส อ, สองกลุ่ม คือเป็นบุญที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นบุญหลักแล้วบุญอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็นบุญเสริมบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับอาหารเรามีอาหารหลักและมีอาหารเสริมส่วนใหญ่เราจะรับประทานอาหารหลักกันอาหารหลักของพวกเราก็คือข้าวกับข้าวนี่ ที่เราจะรับประทานกันเป็นประจำทุกวันทุกมือ้อส่วนอาหารเสริมนี้ก็บางทีเราก็รับประทานบางทีก็ไม่รับประทานก็ได้อาหารเสริมก็คือพวกขนมนมเนยต่างๆผลไม้เครื่องดื่มต่างๆซึ่งถ้าเรามีเราก็รับประทานได้ดื่มกันได้ถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้รับประทาน แต่เราก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าเรามีอาหารหลักถ้าเรามีข้าวมีกับข้าวไว้รับประทานทุกวันบุญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันก็เป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นบุญหลักกับบุญเสริมบุญเสริมเราก็ทำตามโอกาสมีโอกา ส, ม, กาสมีเหตุการณ์ที่จะให้เราทำบุญเสริมเราก็ทำกัน ถ้าไม่มีเราไม่ต้องทําก็ได้แต่บุญหลักนี้เป็นบุญที่เราต้องทํากันเพราะเป็นบุญที่จะให้ความสุขกับใจเป็นบุญที่จะมากําจัดความทุกข์ของใจให้หมดไปบุญหลักมีอะไรบ้างบุญหลักข้อสําคัญข้อที่หนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่เองหรือการศึกษาธรรมคําสั่งคํำสอน ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ถึงบุญชนิดต่างๆเราก็มัจะไม่รู้ว่าเราควรจะทำบุญอย่างไหนกันส่วนใหญ่ชอบถามว่าทาบุญอย่างไหนแล้วจะได้บุญมากๆกันแต่บุญที่ได้มากนี้เป็นบุญที่ยากกว่าบุญที่ได้น้อยถ้าเรายังไม่มีกําลังในการทําบุญที่ยากอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นบุญมากก็ตามแต่เราก็จะไม่สามารถทำได้เราต้องทำบุญของง่ายก่อนทำบุญจากบุญที่ง่ายขึ้นไปสู่บุญที่ยากตามลำดับถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็จะไม่รู้กันแล้วเราก็อาจจะทำไม่ถูกกันแล้วผลของบุญก็อาจจะไม่เกิดขึ้นตาม ที่ควรจะเกิดดังน้นบุญชนิดที่หนึ่งนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่งต่อต่อการทำบุญต่างๆของเราแล้วบุญอีกข้อหนึ่งที่เราควรที่จะมีอยู่เป็นประจาใจของพวกเราก็ คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> คือมีสัมมาทิฏฐิ <Yeah. S 1> มีความเห็นว่า <Yeah. S 1> บุญมีจริง <Yeah. S 1> บาปมีจริง <Yeah. S 1> ทำบุญแล้วจะทำให้เรามีความสุขกัน <Yeah. S 1> ตายไปดวงวิญญาณของพวกเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กัน <Yeah. S 1> ทำบาปแล้วเราก็จะมีความทุกข์กัน <Yeah. S 1> ตายไปแล้ว ดวงวิญญาณของเราก็จะต้องไปเกิดในอบายกันนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกตั้งนี้ยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปยังไม่เชื่อกฎแห่งกรรม เราก็ต้องพยายามศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องให้เรามีความเห็นว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงทำแล้วไม่สูญทำบุญก็ไม่สูญทำบาปก็ไม่สูญเพราะว่าผู้ทาผู้ที่ทำบุญทำบา และเป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายนั่นเองพวกเราอาจจะคิดว่าพวกเราเป็นร่างกายกันแต่ความจริงแล้วพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจผู้มาเกาะติดกับร่างกายผู้มาใช้ร่างกายพาเราไปทําอะไรต่างๆกันแล้วพอร่างกายตายไปเราก็อาจจะคิดว่า ไม่มีผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปความจริงผู้กระทำบุญหรือบาปผู้ที่จะรับผลบุญหรือบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปผู้ที่กผู้ที่กระทำบุญทำบาปคือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้ไปทำบุญทำบาป ก, กัน นี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราจะได้เรียนรู้ถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมมั่นศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะจากพระไตรปิฎกก็ได้หรือจากพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ได้จากพระที่เรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลาย ท่านจะสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายกันเราเป็นผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ของพวกเราเราเป็นนายร่างกายเป็นบาปเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบาปกันเราเราเป็นผู้รับผลบุญผลบาปกันผลบุญผลบาปที่เราจะได้รับทันทีที่เราจะเห็นได้ ก็คือเวลาทาบุญแล้วใจของเราจะมีความสุขกันใจของเราจะเย็นจะสบายมีความอิ่มมีความพอใจมีความภูมิใจในทางตรงข้ามเวลาเราทำบาปใจของเรนี้จะมีความไม่สบายใจขึ้นมาบางทีมีความทุกข์จะมีความกังวลจะมีความเสียใจที่เราได้ไปทำบาปกัน แต่ร่างกายไม่มีความรับรู้อะไรทั้งนั้นเวลาทำบุญร่างกายก็ไม่รู้ว่าตัวมันเองได้ทำบุญเวลาทำบาปร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันได้ทำบาปเพีานผู้ที่รับผลบุญผลบาปจึงไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้ทำบุญทำบาปคือใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปดูผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาปเราก็จะไม่เห็นผลเนราะเราเห็นบางทีคนที่ทำบาปกับร่างกายเขากลับไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใดไม่ได้ไปติดคุกติดตารางทั้งๆ ท, ที่เขาทำบาปเพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่รับผล ผลบุญผลบาปที่ที่ทำกันผู้ที่รับผลบุญผลบาปคือใจร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไปจับลงโทษแต่ใจก็อาจจะทุกข์วุ่นวายใจก็ได้คนบางคนเนี่ยทำผิดแล้วไม่ถูกจับลงโทษแต่ใจเขาไม่สบายเขาต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่เลยบางทีต้องหนีออกไปนอกประเทศเสียได้ซ้าไป อยู่ในประเทศไม่ได้เพราะถ้าอยู่ในประเทศกลจะถูกจับก็เลยต้องอยู่แบบหลบหล บ, หลบซ่อนซ่นใจที่อยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนนี้ไม่มีความสุขจะมีแต่ความหวาดภาวามีความหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าใจเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ทำบาปและใจนี่แหละจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วเนี่ยขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะรับผลบุญด้วยความสุขใจรับผลบาปด้วยความทุกข์ใจแล้วตายไปแล้วใจนี่แหละที่จะไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ ถ้าได้ทำบุญ ถ, ถ้าไปรับผลบุญผลบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดากันหรือไปเป็นพรหมกันหรือไปนิพพานกันใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญต่างๆถ้าใจทำบาปใจนี่แหละที่จะเป็นผู้ไปรับผลบาปไปเกิดเป็นเดาชะฉานบ้างหรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนี่คือ ความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาคำสัง่งศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะเริ่มเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมาเองว่า ว่าเรานี้หนึ่งไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเช่นวันนี้ใครเป็นผู้คิดจะมาวัดกันร่างกายหรือใจใจนี่แหละเป็นผู้คิดว่าวันนี้จะมาวัดจะมาฟังเทศฟังธรรมจะมาทําบุญพอใจได้คิดแล้วใจก็เลยสั่งการมาที่ร่างกายให้ออกเดินทางมาที่วัดกัน ร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งเท่านั้นเองร่างกายจึงไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ทาบุญหรือทาบาป injected. มาทาบุญร่างกายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าอ้วนก็ยังอ้วนเหมือนเดิมอยู่ถ้าผอมก็ยังผอมเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้รับผลจากการทำบุญทำบาปแต่อย่างใดถ้าได้รับผลบุญก็ดีคนอ้วนก็กลายเป็นคนผอมได้คนผอมก็กลายเป็นคนอ้วนได้ก็ดีแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น คนที่จะอ้นวนหรือทีจะผอมนี้คือใจใจเวลาทำบุญแล้วใจจะรู้สึกอ้วนใจจะรู้สึกอิ่มไม่หิวโหยเวลาใจไม่ได้ทำบุญนี้ใจจะรู้สึกหิวโหยหิวโหยด้วยความโลภหิวโหยด้วยความอยากพอเรามาได้ทำบุญแล้วบุญก็จะทำให้ใจของเราอ้วนขึ้นมาทำให้ใจเราอิ่มขึ้นมา ดันันผู้ที่รับผลบุญผลบาปผู้ที่กระทาบุญทาบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายถ้าเราไปดูผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็จะไม่เข้าใจเราอาจจะมีเราอาจจะเชื่อคนที่ก็พูดว่าทาบุญไม่ได้บุญทำบาปแล้วได้ดีมีถมไปทำทำบุญแล้วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถุนไปพอไปดูที่ผลที่ร่างกายคนที่ทําชั่วเขากลับได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศได้เลื่อนเงินเดือนได้ล่ําได้รวยขึ้นมาเช่นไปปนธนาคารนี้เขาก็รวยกว่าคนที่ไม่ได้ปนธนาคารไปช่อโ ก, กงไปคอร์รัปชันเขาก็ได้เงินทองมากกว่าคนที่ไม่ได้ช่อโ ก, กงคอร์รัปชัน ถ้าเราไปมองผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็จะทำให้เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่าทำบาปแล้วกลับได้ดีทำชั่วแล้วกลับได้ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่เราไม่ได้ดูที่ใจของผู้ที่ทำดีแล้วทำชั่วใจของผู้ที่ทำดีถึงจะแม้จะไม่ได้รับผลทางร่างกาย แต่ใจเขามีความสุขคนทาดีมีความสุขใจคนทาชั่วถึงแม้ว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้เงินได้ทองแต่ใจไม่มีความสุขใจมีความทุกข์ใจมีความหวาดกลัวกับบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้กลัวว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะต้องถูกจับไปลงโทษก็ได้นี่คือ บุญที่เราควรที่พยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ในเบื้องต้นคือการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีปัญญานี่เองรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บากรู้ผลของบุญของบาปคือความสุขความทุกข์และสวรรค์และนรกที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ต้องมีความเห็นว่าตายแล้วไม่สูญเราอย่าไปคิดว่าพอร่างกายนี้ตายแล้วชีวิตของเราสิ้นสุดตรงตัวเราหายไปกับการตายของร่างกายตัวเราไม่ได้หายไปกับความตายของร่างกายตัวเราอยู่ที่ใจที่จะไปเป็นดวงวิญญาณต่อไปแล้วจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ ก็ขึ้นอยู่ที่บุญลึกที่บาปที่เราทำไว้แล้วหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปแล้วใจของเราก็ยังกลับมาเกิดใหม่อีกมาเกิดมาได้ร่างกายอันใหม่อีกแล้วก็จะมาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อีกแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีก เราก็ต้องรู้ว่าเหตุอะไรที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิอีกข้อหนึ่งว่าการที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี้เอง<ๆ>เกิดจากความโลภความอยากต่างๆของเราอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมีใครไม่อยากามีใครไม่อยากดูหนังฟังเพลง มีใครไม่อยากไปเที่ยวมยีมีใครไม่อยากจะดื่มจะกินของที่ถูกปากถูกใจ <Yeah. S 1> ความอยากเหล่านี้เราเรียกว่ า, ากามตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะพอมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะก็เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายเพราะถ้าไม่มีตาจะไปเห็นรูปได้อย่างไร ถ้าไม่มีหูจะไปฟังเสียงได้อย่างไรเน้นถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอยู่เราก็จะต้องไปหาร่างกายไปมีร่างกายกันเพราะร่างกายนี้มีทั้งตามีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งลิ้นมีทั้งกายให้เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆกันนั้นเองถ้าตาบใดเรายังมีความอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ยังอยากมีอยากเป็นอยู่ยังอยากสวยอยากงามอยากรวยอยู่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่หรืออยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้แก่เดี๋ยวเราก็ทิ้งมันไปบางคนฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้ไปหาร่างกายใหม่เปลี่ยนร่างกายอันใหม่พะร่างกายเก่ามันทุกข์มันทรมาน <Yeah. S 2> ถ้ายังมีความอยากทั้งสามนี้อยู่ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้มันก็จะดึงใจของเราให้ไปเกิดใหม่พอเราไปรับผลบุญหมดแล้วพอไปรับผลบาปหมดแล้วใจของเราก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เพื่อที่เราจะได้มา เสบรูกเสียงกลิ่นลดโผฏฐะใหม่เพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวกันเพื่อเราจะได้ไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินไปดื่มกันแล้วเราก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต้องให้เห็นว่าการที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆดีเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ก็เพราะความอยากของเรานี่เอง ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเฮ้ยไปจัดการเอาไม้ตีซะหน่อยเนี่ยงั้นไม่เข็ดอะ่ะ <c oughs> พูดดีๆไม่ไม่เชื่อบางทีต้องใช้ไม้แข็งหน่อยตีหนเดียวรับร่งรับประกันได้ไม่กลับมา นะตีอย่างนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปหรอกนะนะเป็นการสั่งสอนเป็นการห้ามปรามนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลามปรามนะแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองต่อไปก็เลยต้องสอนต้องห้ามปรามด้วยการลงโทษลงโทษพอประมาณพอให้รู้ว่าการกระทาแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรจะทำไกต่อไปนะ ดังน้นพยายามสร้างความเห็นที่ถูกต้องนี้ไว้ให้ได้เพื่อที่เราจะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้เพราะตราบใดที่พวกเรามาเกิดกันนี้ไม่ว่าจะมาเกิดดีขนาดไหนก็ตามให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นประธานอาธิบดีให้เป็นมหาเศรษฐีให้เป็นดารานในแบบนางแบบเป็นอะไรก็ตาม ก็ยังต้องเจอความทุกข์กันด้วยกันทุกคนและอาจจะทุกข์มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นอะไรเสียได้ซ้าไปเพราะเวลามีมากแล้วเวลามันเสียมันจะเสียใจมากกว่าคนที่มีน้อยคนเวลาที่มีน้อยเวลาเสียก็จะเสียใจน้อยกว่าเพระนไม่ว่าจะมีมากมีน้อยจะใหญ่จะโตจะไม่ใหญ่ไม่โต ก็จะต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนมาเจอปัญหาต่างๆอย่างที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าการที่เรามาเกิดกันนี้ก็เพราะความอยากของเราเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้และการที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องใช้บุญนี่แหละเป็นวิธีหยุดความอยากกัน บุญที่พระเจ้าสอนให้เรามาหยุดความอยากได้แก่อร่อยบ้างก็แก่หนึ่งบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานทำบุญทำทานเช่นใส่บาตรเบอร์จากสิ่งของเบอร์จากเงินทองต่างๆให้กับใครก็ได้ให้กับวัดก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับบิดามารดาก็ได้ให้กับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้ ถ้าเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเราอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะให้เขามันทาความทุกข์ยากเดือดร้อนน <canyon> ี่เรียกว่าทานแปลว่าการให้ <canyon> ให้แล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมา <canyon> บุญคือความสุขใจ <canyon> แล้วการให้ทานนี้จะระงับความโลภของเราให้น้อยลงด้วยเพราะว่าแทนที่เราอยากจะได้เงินเรากลับอยากจะเสียเงิน <canyon> อยากจะมีเงินให้น้อยลง เพราะว่ารู้สึกว่ามีเงินมากแล้วมันเป็นภาระต้องคอยมาเฝ้าดูเงินทองมีน้อยๆกับสบายใจกว่าไม่ต้องมาคอยดูดอกเบี้ยวว่าจะขึ้นจะลงไม่ต้องมาคอยกังวลว่ า, าธนาคารที่ไปฝากไว้เงินธนาคารจะล้มหรือไม่ล้มมีภาระมีความทุกข์ความกังวลใจถ้ามีมากเกินไปซื้อเอาไปทำบุญทำทานดีกว่า จะตัดความโลภความอยากได้เงินทองเราจะทำให้เรานี้มีความสุขใจอิ่มใจจะทำให้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้น้อยลงเป็นการตัดความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันลดความอยากให้น้อยลงเวลาทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มใจสุขใจอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่เดือดร้อน คนที่ไม่ได้ทำบุญนี้เวลาอยู่บ้านเฉยๆนี่จะเหงาจะว้าเวอจะอยากออกไปข้างนอกอยากจะไปใช้เงินซื้อของไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยู่มากแต่ถ้าได้ทำบุญนี้จะช่วยลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดให้น้อยลงได้จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไป ทุกครั้งที่เราลดความอยากไปเที่ยวได้นี้เราตัดภพชาติไปหนึ่งชาติแลทุกครั้งที่เราอยากจะไปกินไปดื่มนี้เราก็ตัดภพชาติลงไปได้อีกหนึ่งชาติตัดมันไปด้วยการทําบุญแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยว เ, เงินไปกินไปดื่มไปเล่นกันก็เอาเงินไปทําบุญทําทานกันนี่คือข้อบุญข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อตัด ทางเดินของความอยากอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวกันอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรากันซึ่งมนเป็นทองไม่จาเป็นมีไม่มีก็ไม่ตายมีก็ไม่ได้ทำให้เราวิเศษขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับทำให้เรามีความอยากจะใช้เงินมากขึ้นอยากจะซื้อของมากขึ้น แล้วจะทำให้เราต้องมีความโลภอยากได้เงินมากขึ้นอยากต้องหาเงินมากขึ้นไปน mm hmm. เรื่อยๆแล้วจะทำให้เรานี่รักษาศีลไม่ได้กัน mm hmm. เวลาเรามีความโลภอยากได้เงินมากๆง่ายๆเราก็มักจะหาเงินโดยวิธีไม่ชอบกัน mm hmm. ชอบโกงบ้างคอร์รัปชันบ้างขโมยเงินของผู้อื่นบ้าง mm hmm. แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินมาก เพราะเรามีความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากกา ร, ราได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปกันทำงานหากินโดยที่สุจริลก็พอเพราะว่าเราได้มามากกว่าที่เราต้องการเพราะใจเราไม่มีความต้องการใช้เงินมากเพราะการที่เราได้ทำบุญนี้จะทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราไม่หิว อาไม่ใจเราไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญคนที่ไม่ได้ทำบุญนี้จะหิวจะอยากจะมีกามะทันหามากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผธทพามากก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาเพื่อที่จะมาตอบสนองความอยากหามาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอหามากก็จะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมันมีของที่มีราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆของก็อันเดียวกันเนั้ะแต่ราคาต่างกันรถยนต์นี่มีต้องหลายราคาใช่ไหมมีตั้งแต่ครึ่งล้านขึ้นไปจนถึงยี่สิบล้านสามสิบล้านมันก็รถยนต์เหมือนกันมีสี่ล้อเหมือนกันวิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแต่พอมีเงินมากแล้วมันต้องซื้อของแพงไม่รู้ทําไมเพราะกิเลสความหลงมันคิดว่าซื้อของแพงแล้วจะวิเศษขึ้น มันก็เหมือนเดิมใจไม่ได้วิเศษขึ้นใจกลับเป็นเปรตเป็นขิวมากขึ้นไปต่างหากแทนที่จะลดความหิวความอยากลงกลับอยากมากขึ้นอยากจะใช้เงินมากขึ้นเมื่อใช้เงินมากก็ต้องหาเงินมากแล้วเวลาที่เงินไม่พอใช้ก็จะเดือดเดอร้อนวุ่นวายแทนที่จะลดการใช้ใจ่ายเงินทองก็ลดไม่ได้ เคยใช้ซื้อขอราคาแพงๆก็ต้องซื้อราคาแพงๆต่อไปทั้งทงที่ซื้อขอราคาถูกก็ใช้ได้เหมือนกันรถยนต์ราคาถูกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเคยนั่งรถราคาสิบล้านแล้วต้องมานั่งรถราคาครึ่งล้านแล้วมันรู้สึกว่าต่าต้อยยี่ไงอันนี้มันเป็นกิเลสโมหะความหลงมันหลอกใจ หลักใจให้เราเดินลนหาอะไรต่างๆมาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เรามีความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่พอต้องหามาเรื่อยๆพระพุทธเจา้าึงบอกว่าให้เราทำบุญทำทานกันเพื่อตัดกระแสะของความอยากเหล่านี้ลงไปให้เราใช้ของแบบประหยัดกัน ใช้ด้วยเหตุด้วยผลกันใช้ตามความจำเป็นกัน เ, เสื้อผ้าราคาห้าร้อยกับเสื้อผ้าราคาห้าพันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่ของเสื้อผ้าได้เหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้ามีไว้ทำไมหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายของเราเนี่ปกปิดร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ดูอุจจาตา ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้านี่เราคงไม่กล้าออกเดินออกไปนอกบ้านกันเพราะเรากลัวว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรโผมาจากที่ไหนเราก็เลยต้องมีเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าไม่จําเป็นจะต้องมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเสื้อผ้าราคาธรรมดาที่ขายกันทั่วไปตามท้องตลาดนี้ก็ใช้ได้สายเล้วก็ดูดูดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่อุจาตาก็ถือว่าใช้ได้นี่คือการใช้เงินทองที่ที่ถูกควรจะใช้แบบประหยัดใช้แบบใช้เหตุใช้ผลแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องหาเงินมากไม่หิวไม่โลภอยากได้เงินมากแล้วก็จะทำให้เราตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้น้อยลงไปได้ แล้วจะทำให้เราทําบุญข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทําข้อที่สองต่อจากการทำทานก็คือให้เรามารักษาศีกันแล้วเว้นจากการกระทาบาปเพราะการกระทาบาปนี้จะทำให้ใจเราทุกข์กันแล้วจะทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายกันซึ่งเป็นภพที่มีความทุกข์ไม่มีความสุข ก, กัน ดังนถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างเราก็อย่าทําบาปกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดกันด้วยการมารักษาศีลห้ากันศีลห้านี้ก็จะทําให้เราปิดประตูอบายได้ไม่ต้องไป ลักษณะมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปนี่บุญข้อที่สองข้อที่สี่ล้ต่อจากหนึ่งการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้ายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็ฟังเทศอยู่เรื่อยๆศึกษาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่มาจากความอยากของเราและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้ก็เกิดจากการทาบุญทำทาน<ม>เกิดจากการรักษาศีลและก็เกิดจากการภาวนา<ม>ทำไมเราจะต้องรักษาศีลเพราะถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้เราจะไปทำบุญที่เกิดจากการภาวนาไม่ได้ การภาวนานี้คือการทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเพื่อที่จะได้ตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปก่อนจะมีศีลแปดได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้นี่จะไปรักษาศีลแปดมันก็รักษาไม่ไหว เมยังรักษาห้าข้อไม่ได้จะไปรักษาแปดข้อได้อย่างไรถ้ายังไม่รักษาสิบแตดก็จะไม่มีเวลาที่จะไปภาวนากันไปทําใจให้สงบแล้วก็ไปสอนใจให้ฉลาดให้มีดวงตาเห็นธรรมที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้คือเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทําตามความอยากนั่นเอง เวลาทำตามความอยากนี้แทนที่จะได้ความสุขความจริงมันได้ความทุกข์กันแต่คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นจะมองเห็นว่าทำตามความอยากเราจะได้ความสุขกันแต่เป็นความสุขที่อำพรางความทุกข์เอาไว้พอความสุขที่ได้มาจางหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีมองไม่เห็นกันจะต้องภาวนาต้อง จะภาวนาได้ก็ต้องอรักษาศินแปดให้ได้ก่อนถ้ารักษาศินแปไม่ได้ก็ต้องรักษาศินห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีนห้าไม่ได้ก็ต้องเอาศินสี่ก่อนลดลงไปเรื่อยๆต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่ต้องรักษาได้บ้างศินข้อไหนที่เราคิดว่าเรารักษาได้ก็รักษาไปให้ไปให้มันตลอดรอดฝั่งอย่ารักษาแล้วก็ทิ้งเหมือนแล้วก็ กลับไปทำใหม่เช่นถ้าข้อสุรานี้เราเลิกได้หรือเราไม่ดื่มสุราเราก็อย่าไปดื่มมันนีอเราก็มีศีลข้อหนึ่งนะข้อละเว้นจากการดื่มสุราข้อนี้สาคัญเพราะการที่จะรักษาศีลข้ออื่นได้นี้เราต้องมีสติสมบูรณ์<ม>เวลาเราไม่มีสติสมบูรณ์นี้เราจะคอยควบคุมกายวาจาใจของเราไม่ได้ เวลาใจเราจะพูดคำหยาบหรือพูดโกหกมันก็จะพูดได้ง่ายแต่ถ้าเรามีสติเราจะหยุดเันก่อนพอนเรารู้ว่ากำลังจะพูดปดก็อย่าพูดดีกว่าเั<ม>็นพยายามรักษาข้อห้านี้ให้ได้ก่อนคือการไม่ดื่มสุรายามเมาเพราะเป็นการทำให้ขาดสตินั่นเอง เวลาไม่มีสติกับมีสตินี้คนเราทำอะไรต่างกันสังเกตดูคนที่มึนเมานี่ทำอะไรแล้วรู้สึกก็จะทำแบบและเทะทำแบบเสียหายแต่คนที่มีสตินี้จะทำอะไรเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับตนเองหรือผู้อื่น <Yeah. S 1> เห็นศินข้อแรกนี้ศินข้อห้านี้เป็นสิลที่สำคัญถ้าอยากจะรักษาสินข้ออื่นต่อไปนี้ ต้องรักษาสติให้ไว้ได้ก่อนต้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวว่าเรากำลังทาบาปกำลังจะทำบาปหรือไม่ทำบาปเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวตรงที่เราทำบาปไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราทาบาปไปแล้วพูดโกหกไปแล้วยังพึ่งมอนึกได้ให้เมื่อกี้นี้กูโกหกนี่ยว่าเศรษฐายาวไม่มีสติไม่ทันไม่ทันความคิดเนี่ยนต้องอยาก อย่าดื่มของบุญเมาต่างๆเพราะดื่มของบุญเมาแล้วจะไม่รู้ว่าตอนเองกำลังทำอะไรกำลังพูดปดก็ไม่รู้กำลังพูดปดกำลังประพฤติผิดประเพณีก็ไม่รู้ว่ากำลังประพฤติผิดประเพณีกำลังรักทรัพย์ก็ไม่รู้ว่ากำลังรักทรัพย์กำลังฆ่าสัตว์ก็ไม่รู้ว่ากำลังฆ่าสัตว์พอยุกมาแตะปั๊บตกปุ๊บเลยเนี่ยแสดงว่าสติไม่ทันนะ ถ้าสติทันนี้พอจะตอบปุ๊บได้หยุดทันทีให้กาลังจะทําบาปนะ mm hmm. ยันต้องมีข้อที่ต้องมีสติรักษาสติไว้ให้ดีการจะรักษาสติส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การไม่ดื่มของบุญเมานั่นเองเพราะเมื่อดื่มของบุญเมาแล้วจะทําให้เร า, เาขาดสติขึ้นมาแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาทางใจได้ งั้นอย่างน้อยถ้ายังไม่มีศีลห้าก็เอาศีลข้อหนึ่งศีนหนึ่งก่อนก็แล้วคือสุราแล้วก็ลองพอมีสติแล้วทีนี้ก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาศีลไหนข้อไหนต่อไปจะเอาข้อไม่ฆ่าสัตว์หรือจะไม่ลักทรัพย์หรือไม่ประพฤติผิดประเพณีหรือไม่พูดปด่อยลองทดลองรักษาดูไปข้อไหนที่ง่ายก็เอาข้อที่ง่ายก่อน ก็ไหนที่ยากสำหรับเราก็รอไว้ก่อนแต่ควรจะทำให้ได้เพราะว่าการทำบาปนี้มันเป็นเหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงใจเรานั่นเองมาทาให้ใจเราทุกข์ถ้าใจเราไม่อยากทุกข์อย่าไปทำบาปกันเราไม่อยากให้ร่างกายเราเจ็บใช่ไหมเราไม่กล้าเอาเข็มมาทิ่มแทงร่างกายเราเพราะว่าเรารู้ว่าทิ่มเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายเราเจ็บ อางใดการทำบาปก็เหมือนเอามีดมาทิ่มแทงจิตใจของเราพอทำบาปแล้วมันก็จะเจ็บเจ็บไปที่หัวใจทันทีใจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีดังนั้นต้องพยายามรักษาศีลให้ได้การทำทานนี้มันก็ช่วยให้เรารักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำทานเพราะอะไรเพราะคนทำทานนี้เป็นคนที่ใจมีความเมตตานั่นเอง คนที่ทำทานนี้อยากจะให้คนอื่นมีความสุขเห็นเขาเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือเขาเมื่อมีมีความเมตตาก็จะไม่อยากไปเบียดเบียนไม่อยากไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายก็จะทำให้ไม่กล้าทำบาปกันนี่เหตุผลว่าทำไมเราต้องทำทานก่อนถึงเราจะไปทำถึงจะไปรักษาสีเงกันได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำทานนี้เราจะคิดเห็นแต่ เอาประโยชน์ใส่ตัวเราเองเราจะไม่คํหนึ่งไม่ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นเวลาทำอะไรคนอื่นเขาเดือดร้อนก็ไม่สนใจเพราะเราคิดแต่ประโยชน์ของเราคนที่ไม่ทำบุญทำทานจะคิดแบบนี้คิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเองจะไม่กังวลถึงว่าผู้อื่นจะเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของตนเองหรือไม่แต่คนที่ทำทานทำบุญแล้วนี่ จะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเห็นคนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือเขาเห็นเขาไม่มีความสุขก็อยากจะให้เขามีความสุขเั้นเวลาจะทำอะไรก็จะคิดก่อนว่าทำแล้วจะทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ก็จะทำให้ไม่กล้าทำบาปกันถ้ารู้ว่าถ้าไปทำบาปแล้วจะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทำกัน ดังนั้นถ้าท่านยังรู้สึกว่ายังรักษาศีลได้ยากอยู่ก็ลองมาทําบุญทาทานกันก่อนมาแผ่เมตตากันก่อนมาทาให้ผู้อื่นเขามีความสุขกันช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนด้วยการให้มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันให้ได้ของส่วนเกินของที่เราไม่ต้องใช้ของที่เราไม่ต้องมีเอาไปทาบุญทาทาน จะได้ประโยชน์หลายอย่างได้ความสุขใจในภพนี้ได้ไปสวรรค์ในภพหน้าแล้วทำให้เราได้มีความเมตตาทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นเ <c oughs> พราะถ้าเราต้องการที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่เราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป ขั้นสูงจากทานก็คือศีลเราก็เริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วทีนี้เราก็เพิ่มมารักษาศีลแปดในวันพระกันในวันอาทิตย์หนึ่งครั้งก่อนเป็นการมาซ้อมก่อนมาทดลองก่อนเรายังไม่จาเป็นจะต้องรักษาศีลแปดทุกวันเพราะเรายังไม่พร้อมเรายังอาจจะต้องทำมาหากินไปทำงานทำการ มีทุระัะพังมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆอยู่แต่เราอยากจะมาเตรียมตัวมาหัดรักษาศีลแปดเพื่อต่อไปเมื่อเวลาที่เราไม่มีภาระที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเราอาจจะได้มีเวลาไปภาวนากันไปรักษาศีลแปดกันเพื่อเราจะได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นตอนนี้ถ้าเรายัง รักษาศีลแปดไม่ได้ก็มาหัดรักษาศีลแปดกันเดือนเดือนนั้นหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งวันสมัยก่อนเราเรียกว่าวันพระเพราะวันพระนี้เป็นวันหยุดทํางานแต่สมัยนี้วันหยุดทํางานของเราไม่ตรงกับวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทํางานของเราถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เราก็มาถือศีลแปดในวันเสาร์วันอาทิตย์กัน เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาภาวนานั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็ยังไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินอาหารเย็นได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้เราก็จะไม่มีเวลามาภาวนากันมาปฏิบัติธรรมกันแต่พอเราถือศีลแปดปั๊บนี่เราทากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้นะ จะไปเที่ยวก็ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้น่วมนับนอนกับแฟนก็ไม่ได้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้กินอาหารเย็นไม่ได้อาหารข้าไม่ได้เราจะได้มีเวลามาภาวนากันการถือศีลแปดนี้เพื่อให้เรามีเวลามาภาวนาเพราะการที่เราจะตัดภพตัดชาติให้มันหายไปอย่างราบคาบนี้เราต้องตัดด้วยการภาวนา ถ้าเราไม่ได้ภาวนานี้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้จะไม่มีวันหมดสิ้นไปได้มันจะหมดสิ้นไปได้ต่อเมื่อเรามาภาวนากันดังนั้นในช่วงที่เราเริ่มต้นเราก็เพียงแต่มาซ้อมก่อนมาทดลองก่อนมาหัดก่อนมาฝึกหัดกันก่อนเหมือนกับมาการทำการบ้านกันก่อนเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาอย่างเต็มร้อยนั่นเอง เพราะการที่จะตัดภบตัดชาติให้อย่างราบคาบให้อย่างถาวรนี้เราต้องไปภาวนาตลอดเวลาไปเป็นอยู่ไปไปอยู่แบบนัก บ, บวชกันไปเป็นนัก บ, บวชกันเราถึงจะได้มีเวลาที่จะมากําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ดังนั้นเราในเบื้องต้นเราก็ลองมา ลองเป็นนัก บ, บวชอาทิตย์ละหนึ่งวันกันถ้าไปวัดได้ก็ไปอยู่วัดกันเพราะวัดนี้เป็นที่ที่เหมาะต่อการภาวนามากกว่าที่บ้านเพราะที่บ้านคนเมื่อเขาไม่ภาวนากันคนที่บ้านเขายังดูหนังฟังเพลงกันยังกินอาหารเย็นกันอยู่ถ้าเรารักษาศีลแปลดแล้วภาวนาเราจะรู้สึกลำบากยากเพราะมีคนคอยบารอบกวนใจเราอยู่เรื่อย ง่า น, นถ้าเราอยากที่จะไปรักษาศีลแปดและภาวนาแบบได้ผลเนี่ยเราต้องไปหาสถานที่ที่เหมาะสมคือไปตามวัดต่างๆที่มีการปฏิบัติภาวนากันหรือถ้าเราอยู่คนเดียวนี้ก็อยู่ที่บ้านคนเดียวก็ได้ <Okay. S 1> อยู่ที่ไหนที่ไม่มีใครมาคอยบครบกวนใจเราไม่มีใครมาคอยบครบกวนการภาวนาของเรา เพราะการภาวนาของเรานี้ต้องไม่มีอะไรมาดึงใจของเราไปเราต้องการจะดึงใจของเราเข้าข้างในเพื่อทำใจของเราให้สงบใจของเราถ้าไม่สงบแล้วจะหยุดความอยากไม่ได้เรื่องเราต้องพยายามหาที่ภาวนากันหาวันภาวนากันหารักษาศีลแปดกันอันนี้คือบุญขั้นที่สามที่พระเจ้าทรงสอน หรือข้อที่ห้าต่อจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องการฟังธรรมอยู่เรื่อยเพนะื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ทำทานกันอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีเงินทองเกินมากเกินไปก็เอาไปทำบุญทำทานกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุฟ่มเฟือยก็เอาไปทาบุญทำทาน แล้วจะเราก็มารักษาศีลกันเริ่มต้นที่ศีลห้ากันก่อนพอ ร, รักษาศีลห้าได้แล้วทีนี้ก็เรามารักษาศีลแปดกันในวันหยุดทำงานเพื่อที่เราจะได้ไปวัดไปอยู่ที่สงบกันเพื่อที่เราจะได้ไปสร้างบุญข้อที่อีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้คือแปลว่าการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ตอนนี้จิตใจของพวกเราไม่สะอาดเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เองเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่สขปรกของใจเป็นขยะของใจที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองที่ทำให้ใจเราทุกข์ที่ทำให้ใจเราวุ่นวายที่ทำให้ใจเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เอง ที่เราจะต้องใช้การภาวนาเป็นเครื่องชาระให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปเราควรจะหัดรักษาศีลแปดกันในวันวันหยุดทางานหนึ่งวันหรือสองวันก็ได้ถ้าเราว่างสองวันก็ลองสองวันก็ได้แต่เบื้องต้นถ้าคิดว่าสองวันนี้มากเกินไปอดไม่ไหว อดข้าวเย็นไม่ไหวอดเที่ยวไม่ไหวอดดูหนังดูละครไม่ไหวก็ลองหยุดแค่หนึ่งวันก่อนอถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะได้มีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเรากินอาหารเสร็จนี้เราก็จะมีเวลาว่างที่เราจะได้มาภาวนากันมาปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็คือการภาวนานี่เพราะเราต้องสร้างธรรมขึ้นมา เพื่อให้เราภาวนาเพื่อทำให้จิตใจเราสงบเพื่อพัฒนาเพื่อชำระจิตใจของเราเราต้องมีธรรมที่จะมาํำระจิตใจธรรมที่เราต้องสร้างกันนี้ก็มีอยู่สามคือหนึ่งสติสองสมาธิสามปัญญาเนี่ยนี่คือเครื่องซักฟอกของใจคือสติสมาธิปัญญา และต้องมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้สนับสนุนต้องมีความขยนันมีความขยันที่จะปฏิบัติธรรมมีความขยันที่จะเจริญสติมีความขยันที่จะเจริญสมาธิมีความขยันที่จะเจริญปัญญาและการที่จะมีความขยันไม่ได้ก็ต้องมีศรัท ธ, ธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสุรู้ จริงรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจริงรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจริงก็คือการมาปฏิบัติธรรมนี้เองถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วในวันข้างหน้านี้เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปเราจะพุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏกันได้ถ้าเราไม่ปฏิบัต เราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เรื่องการเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีศรัทธาก็เกิดจากการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆนี่เองเพอฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นไปพอมีความเชื่อมากก็จะมีความขยันที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้ามากขึ้นไปตามลาดับ <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะมาถึงขั้นที่เรามารักษาศีลแปกันได้แล้วก็มาเจริญทำสามข้อคือข้อที่หนึ่งคือสติเพราะการที่จะทําใจให้สงบที่เรียกว่าสมถภาวนาคือทําใจให้เป็นสมาธิได้นี้จำเป็นจะต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถหยุดความคิดได้ ไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่สมาธิได้งนั้นเบื้องต้นนี้ต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆวิธีเจริญสติก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการหยุดความคิดต่างๆเช่นคำบริกรรมพุทโธนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นพุทธานุสติอยู่ในอนุสติสิบของกรรมฐานสี่สิ กรรมฐานนี่มีอยู่40สิบชนิดด้วยกั น, นมีอนุสติสิบเช่นพุทธานุสติก็คือพุทโธธรรมานุสติก็คือธรรมโมหรือการสวดอิปปิโสก็ได้เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการเจริญกรรมฐา น, นเมื่อมีกรรมฐานใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ จะไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงละครคิดถึงอะไรก็คิดไม่ได้เพราะเราต้องคอยเจริญกรรมฐานอยู่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใจเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือถ้าเราจะใช้การเจริญพุทธานุสติด้วยการสวดบทอิติปิสโสก็ได้อิติปิสโสไปหลายๆจบ เรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานเหมือนกันเป็นการเจริญสติพราจะทําให้เราหยุดความคิดได้ทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วพอเราไม่ไปคิดแล้วเราก็จะสามารถนั่งเฉยๆนั่งหลับตาได้เมื่อนั่งหลับตาเราก็ดูลมหายใจได้นั่งดูลมเฉยๆไม่ต้องทำอะไรคอยเฝ้าดูลมอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราว ต, ต่างๆต่อไปแล้วเดี๋ยวไม่นาน ใจของเราก็จะรวมเข้าไปในสมาธิรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิเป็นเอกขัตตาโลสัตวรู้แล้วตอนนั้นเราเรียกว่าสมาธิจิตนิ่งสงบแล้วก็มีความสุขมากๆเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี้ สู้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เห็นเป้าหมายแรกของการปฏิบัติก็คือพวกเราต้องเข้าถึงความสุขอันนี้ให้ได้ก่อนความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงถึงแม้ว่าในเบื้องต้นมันจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะมันจะสุขเฉพาะตอนที่เราอยู่ในสมาธิแล้วเราก็จะอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลา เข้าไปในสมาธิได้สักพักถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็จะจางหายไปแต่มันจะทำให้เรามีความยินดีในความสงบมีความเห็น ม, มีสิ่งเปรียบเทียบว่าความสุขต่างๆที่เราเคยมีความสุขจากการมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสมบัติมีคนนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราเริ่มตัดสินใจที่จะเลือกเอาความสุขแบบไหนเราเมื่อเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าเราก็จะเริ่มเข้าหาความสุขทางสมาธิให้มากขึ้นความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากลาบยศสารเสริญเราก็จะลดน้อยลงไปหามน้อยลงไป แล่ทุกครั้งถ้าเราอยากจะไปหาความสุขแนละ้วเราไม่ต้องการให้มันไปเราก็ต้องเจริญปัญญาปัญญาก็จะมาสอนใจให้เราเห็นว่าความสุขที่เราไปหาจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสารเสวนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวนั่นเองเวลาได้ความสุขมาก็ดีใจกัน พอเสียความสุขไปก็เกิดความทุกข์ใจกันไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีวันจากเราไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับต้องพยายามสร้างดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาให้ได้ต้องเห็นว่ามีอะไรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียไป เมื่อรู้ว่าจะต้องเสียก็ไม่เอาดีกว่ามาดีใจแล้วเดี๋ยวต้องมาเสียใจในภายหลังยันดีใจแบบนี้ดีใจไปทำไมดีใจเพื่อเสียใจชู่อย่าไปดีใจไม่ดีกว่าเลยชู่อย่าไปเอามันดีกว่ายันต่อไปเวลาเราคิดอยากจะได้ลาบยศเสรรส่อยากได้รูปเสียงกิจดลดเราก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมสอนเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับนะ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเงั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปได้มันดีกว่าเมื่อไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีเสียเมื่อไม่ได้สุกจากสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่ได้ทุกจากสิ่งเหล่านี้นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นอนิจจังนั่นเองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เมื่อดับไปมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็อยากไปมีสิ่งเหล่านี้สิ่งไหนที่มีเกิดแล้วดับอย่าไปเอามันเอาสิ่งที่มีแล้วไม่ดับดีกว่าสิ่งที่ไม่ดับก็คือใจของเรานี่เองและความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราต่อไปความสงบที่เราได้ในเบื้องต้นที่เป็นความสงบชั่วคราวจะกลายเป็นความสงบแบบถาวรต่อไปถ้าเราคอยกาจัด ความอยากที่มาคอยทำลายความสงบพอเราทำลายความอยากด้วยปัญญาได้ด้วยด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีอะไรมีสิ่งที่มีเกิดแล้วต้องมีดับเมื่อดับแล้วก็ต้องมีทุกข์ตามมาก็อย่าไปมีความอยากต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่มาคอยทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ความสงบหายไปมันก็จะหมดไป พอความอยากที่มาสร้างความวุ่นวายใจหมดไปความสงบมันก็จะอยู่ไปตลอดเวลา mm hmm. เหมือนกับความเงียบเนี่ยถ้าเราต้องการรักษาความเงียบเราก็ต้องทำลายสิ่งที่มาคอยสร้างความสิ่งที่มีเสียงคอยพยายามปิดเสียงทุกอย่างออกไปพอไม่มีเสียงแล้วมันก็จะเงียบอันใดสิ่งที่มาทำลายความสงบของใจของพวกเรา mm hmm. ก็คือความอยากต่างๆนี่ ความอยากได้ลาบยศสนรเสริญสุขนี่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าลาบยศสนรเสรินสุขนี้มันไม่เที่ยวมันมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมมีเกิดแล้วมีดับ <Yeah. S 1> เวลาดับมันก็จะมีทุกข์ตามมาเสมอ <Yeah. S 1> พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่ต้องการมันอีกต่อไปไม่อยากได้มันอีกต่อไปต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็จะหายไปหมดพอความอยากหายไปหมด ความสงบใจใจก็จะอยู่ไปตลอดอยู่แบบไม่มีวันหายความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันหายความสุขแบบนี้แหละที่เราเรียกว่าพระนิพพาน น, านิบานังบาลังสุขขังคือความสุขของใจที่สะอาดบริสุทธิ์ความสุขของใจที่ได้ชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว ใจนี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจนี้จะมีความสุขมีความอิ่มตลอดเวลาทำให้ใจนี้ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรเอีกต่อไปทำให้ใจนี้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอีกต่อไปนี่แหละคือบุญต่างๆที่พพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกัน เพื่อที่จะทำให้พวกเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดอยังไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> กิจากการที่เรามีเวลาว่างในวันหยุดทำงานอย่างวันนี้แล้วเรามาวัดกันเพื่อมาสร้างบุญกันด้วยวด้วยการฟังเทศฟังธรรมกัน พอฟังเทศฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าเราต้องสร้างบุญอะไรบ้างต่อไปนี้เราก็ต้องไปทากันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทำบุญทาทานกันแทนแล้วก็ไปรักษาศีลห้ากันรักษาศีลแปดกันแล้วก็ไปหัดเจริญสติสมาธิปัญญากันถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าต่อไป พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สูญหายไปไหนท่านอยู่ที่นิพพานพอเราไปถึงนิพพานเราก็จะได้พบกับพระ พ, พุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือเรื่องของบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาเลวหาปุราปาริปุเรนติสัขลัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัเพปุเรมตุสังกะปาจันโทปณะระโสยธาณิโชติราโสยธาสัปีติโยวิวัจฉันตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้เข้ามาถามด้วยตนเองก็ได้หรือจะเข็นใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้าน Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต383 Facebook พิพอจอ์สุชาติ53ยอดตวน Facebook 436 YouTube 2 0ห วิทยุออนไลน์16 zoom 7ผู้รับฟังหน้าปฏิ144รวม809ท่านค่ะ mm hmm. คำถามแรกจากคุณดรงชัยค่ะ mm hmm. การเลือกคำบริกรรมที่ต่างกัน mm hmm. เช่นพุโทโธยุบหนอพองหนอหรือการดูความรู้สึกที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสดโดยไม่บริกรรมขึ้นอยู่กับจริตความชอบของผู้ภาวนาใช่ไหมครับ ถ้าเราไปสำนักที่อาจารย์สอนไม่ตรงกับที่เราชอบจะมีผลต่อการภาวนาไหมครับเพราะท่านจะให้เราทำตามที่ท่านสอนบอกดีกว่าที่เราชอบครับก็เวลาเราทำไม่มีใครรู้เลยว่าเราทำแบบไหนเราทำแบบที่เราถูกกับเราก็แล้วกันเราไม่ต้องไปคุยไปบอกคนอื่นเขาคือเป้าหมายก็อันเดียวกันคือให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบ เราสอนยุบหนอพองหนอเราดูลมที่ปลายจมูกก็ได้มันก็เหมือนกันไม่มีความจํำเป็นจะต้องมาทะเลาะ ก, กันมาเถียงกันเหมือนคนคนึงกินข้าวผัดอีกคนนึงกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนก็อิ่มเหมือนกันอะ่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปพูดไปบอกใครคําถามจากคุณรัชดาวันขณะภาวนาและเดินจงกรมมีความคิดมาซอนจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ก็อย่าไปสนใจกับความคิดเป็นธรรมดาในเบื้องต้นสติเรายังมีกําลังน้อยจิตมันก็เลยแวบไปแวบมาคิดเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาภาวนาะสลับกันไปสลับกันมาอยู่ก็เ ร, เราให้อยู่กับการภาวนาของเราไปก็แล้วกันถ้าเราเดินจงกรมให้ดูที่เท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะท่องอาการสาสองไปก็ได้ อาการ32นี่มันจะบังคับให้เรามีสติมากขึ้นเพราะต้องจุดพาต้องจดจำต้อง32อาการผมขนเล็บฟันจะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้จะเอาเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่ภาษาไทยมันดีกว่ามันจะได้เข้าใจว่าเรากำลังนึกถึงอาการอะไรอยู่แล้วพอครบ32แล้วอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมนับถอยหลังนึกถอยหลังต่ อ, อ ยิ่งยากอย่เพราะเดินข้างหน้าเดินก้าวไปข้างหน้ามันง่ายพอจะเดินถอยหลังนี่มันต้องมีสติมากขึ้นพอเราต้องระลึกถอยหลังนี่มันก็จะต้องบังคับมากขึ้นใจมันก็จะแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยากขึ้นแล้วมันจะทาให้เรามีสติมากขึ้นไปตามลาดับอันนี้ก็ต้องดูกำลังของสติถ้ายัางท่องอาการสาสีสองไม่ได้ก็เอาพุโทโธไปก่อนเมือสวดมนต์ไปก่อน อีกคำถามจากคุณรัชดาวันค่ะขณะนั่งภาวนามีอาการสะดุ้งเกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไรต่อคะพอรู้เฉยๆรว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล่นั่งนี้มันจะมีอาการหลายอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีก็มีแสงวับขึ้นมาบางทีก็มีเสียงดังขึ้นมาสุดแท้แต่อะไรถือว่ามันเป็นตายลักไปหมดอันนี้จังทุกขรั้งอนะแตา่เป็นของแถมเป็นของที่ไม่ควรไปให้ความสําคัญ พราะจะทําให้เราเสียขาดสติเราจะทําให้การภาวนาเราล้มเหลวได้ถ้าเราไปให้ความสําคัญกับมันจากผู้มิประสงค์ออกนามค่ะไม่สามารถไปร่วมงานศพคุณย่าได้ด้วยเหตุผลพี่น้องที่บอกพี่น้องไม่ได้ไม่เข้าใจพี่น้องบอกเราไม่มีจิตสํานึกในบรรพบุรุษเราตั้งใจจะทําบุญให้ทางนี้เพราะไปไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ควรจะทําใจหรือลางานไปครับ ก็แล้วแต่เร า, เราไม่เราไม่ใช่คุณเนี่ยเราจะมาตัดสินใจใคุณได้ไหคคนอยากจะทำอย่างไรก็ทำไปออคำถามจากคุณนุ่นคุณธรรมค่ะบางสำนักมีการแสดงธรรมผ่านร่างทรงที่อ้างว่าติดต่อกับพระอรหันต์ได้แล้วนิมนต์พระอรหันต์องค์ต่า ง, างแสดงธรรมผ่านร่างทรงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ครับ เป็นของเอมอมเมามากกว่าอวาเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกจิตใครจิงมันเอไปเชิญป้าหลานมาเข้าจิตเราได้ไงป้าหลานอยากจะเข้าจิตเรานักเหรือจิตเรามันซ่านนักหรือดังนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่อ ง, องหลอกลวงนี่กัพูดง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องของความจริงจริงหรื อ, ออาจจะเป็นความหลงองเขาก็ได้อย่าหาว่าเขาหลอกลวงเลยเขอาจจะคิดว่าเป็นจริงเป็นจังก็ได้ แต่ควาจริงนะมันไม่มีหรอกแต่ติดต่อกับพระ้าหลานได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้แต่ติดต่อแล้วมาสแสดงธรรมสดๆไม่ได้หรอกหมือนตอนนี้กําลังติดต่อกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมาขอสแสดงสดให้ท่านได้ติดตามมันตอนนี้เลยไม่ได้หรอกเป็นแต่จะมาเล่าให้ฟังทีหลังได้ว่า อ, อ๋อเมื่อคืนนี้ภาวนานแล้วมีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมเปล่านี้พูดได้อยู่ แต่จะมาแสดงกันแบบสดๆเข้าทรงแล้วก็ตัวสั่นนิดหน่อยแล้วก็ผ้าหลันก็เริ่มเข้ามาคําถามจากคุณบุโคมค่ะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกย่อมตั้งอยู่และเสื่อมไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดรบกวนพระอาจารย์แปลให้ฟังด้วยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมันเป็นทุกทั้งนั้นแหละเสียงก็เป็นทุกลูกก็เป็นทุกกลิ่นก็เป็นทุกขน อะไรก็เป็นทุกเงินก็เป็นทุกอะไรก็ทุกพอได้เงินมาก็ทุกเกิดแล้วนะเดี๋ยวพอเงินหมดไปทุกก็เกิดอีกทุกก็ดับไปพอไม่มีเงินแล้วก็ไม่ทุกข์กับเงินแล้ะเวลามีเงินก็ทุกข์แล้วจะเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปซ่อนไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวคนนี้คนนี้มาขอมายืมจะพูดกับเขายังไงดีมันทุกข์ไปหมดนั้นไม่ว่ามีอะไรพอเกิดขึ้นปั้มมันเป็นทุกข์ทันทีทุกข์กับจิตใจ เพราะจิตใจจะต้องมารับภาระมาแบกมันนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบจิตใจแบบหยดน้ำวนใบบัวก็จะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็เฉยอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ไปแบกไปหามันไม่ไปยุ่งกับมันไม่ถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามันก็จะไม่ทุกข์คำถามจากหน้ากุดค่ะข้อแรกการสวนอิติปิโสแล้วเดินจงกรมได้ไหมคะ ได้สวดไปเดินไปสวยกันได้แต่ควรจะสวดในใจจะเหมาะสมกว่าถ้าออกเสียงว่ามันอาจจะดูไม่ไม่สวยงามเพราะเวลาสวดมวนนี้เรานิยมอยู่ในท่านั่งกันแต่ถ้าเราจะใช้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ของการภาวนานี้เราทำได้แต่ต้องใช้ให้มันอยู่ในใจของเราเดิน mm hmm. เดินไป mm hmm. เดินจงกรมไปก็สวดลิทิปิโสไปก็ได้ mm hmm. ข้อสองค่ะการดูผม แล้วให้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟควรจะดูอย่างไรคะก็ดูสิผมมันเป็นธาตุอะไรล่ะมันเป็นธาตุน้ําไม่ใช่เป็นธาตุน้ํำมันเป็นธาตุไฟไม่ไม่เป็นไฟมันไม่ร้อนนลยมันเป็นธาตุลมมันมันมันลอยได้ปะไม่ลอยมันก็เป็นธาตุดินนั่นเองเวลาตัดทิ้งไปในดินต่อไปมันก็กลายเป็นปุ๋ยมันก็มันก็เสื่อมกลับไปเป็นดินนั่นเองอีกคําถามค่ะถ้าเราต้องทํางานกับคนหมู่มาก เราจะต้องทำงานกับคนที่เราไม่ชอบเลยเราจะใช้หลักธรรมใดในการทำงานแล้วเราจะมีวิธีการใดที่จะทำให้เราไม่กังวลมากจนเกินไปค่ะที่เรากังวลเพราะเราไปยุ่งกับเขาเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขามันก็ไม่มีเรื่องกังวลไเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราก็ทำงานของเราทาหน้าที่ของเราไปก็เท่านั้นเองต่างคนต่างทางานไปถ้าเจอกันก็แผ่เมตตาให้กับกันไป เเขาก็สวัสดีครับทักทยายก็มีขนมก็แจกให้เขากินบ้างอะไรก็ทําไปตามกําลังของเราแต่ถ้าเขาจะมากลางควานเรามาด่าเราก็ต้องใช้อุเบกขาทําใจเฉยๆไปห้ามปากเขาไม่ได้เขาอยากจะพูดอยากจะบน่นก็เรื่องของเขาถ้าไม่อยากจะเจอก็ไปบวชสิไปอยู่คนเดียวในป่าคําถามจากพี่ตุ้มคะ่ะ กระผมเคยเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจและมีวันหนึ่งที่เป็นวันแห่พระหรือออกโปรดสาธุชนตามสถานที่ต่างๆกระผมได้เห็นร่างทรงพระมีการเจาะแทงตามร่างกายด้วยอาวุธต่างๆเช่นมีดดาบเหล็กแหลมต่างๆมาแทงที่ปากตามร่างกายและร่างทรงบางคนก็ใช้ของมีคมมาทำร้ายร่างกายตัวเองบ้างเช่น การเล่นเลือดหรือใช้มีดมาเชื้อลิ้นบางส่วนก็ใช้ขวานจามไปที่หน้าผากของตัวเองให้เลือดออกเพราะมีความเชื่อว่าการเจาะแทงร่างกายการทำรํำลายร่างกายตัวเองเป็นการรับข้อแทนผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานและเป็นการช่วยเหลือขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปจากที่ตรงนั้นอยากถามพระอาจารย์ว่ากระผมกล่าวมาเป็นความจริงหรือไม่ครับถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่ครับไม่เถีงองเราเป็นความเชื่อของเขา ความจริงก็คือกรรมใครกรรมมันพุเจา้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดว้ดีหรือเชื่อเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครมาลบล้างกรรมของเราได้แนมะ้แต่ตัวเราเองก็รับลบล้างไม่ได้ทั้งบุญและทั้งบาปทำแล้วเดี๋ยวมันก็มีถึงเวลามันก็ต้องส่งผลของมันไปคำถามจากคุณสุภัทราค่ะถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นเห็นจิตเกิดดับแล้ว มองทุกอย่างไม่ใช่ของเราแล้วแต่เรายังใช้ชีวิตอยู่กับคู่ของเราแล้วเรื่องการพิจารณาดูแล้วว่าเป็นธาตุเกิดดับแต่ยังมีความสัมพันธ์กับคู่ในขณะที่ตายไปเราจะหลุดพ้นได้ไหมครับก็ตอนเป็นยังมันหลุดพ้นไม่ได้แล้วตอนตายมันจะหลุดพ้นได้ยังไงมันต้องหลุดพ้นตอนเป็นก่อนตอนตายนี่ทําอะไรไม่ได้แล้ว พอพบท้เจ้าไม่ตัดสั้ก่อนตายเวลาตายท่านก็ไม่ได้ตัดสั้นเห็นต้องตัดสั้นก่อนตายหรือใช้ตอนที่ใกล้จะตายนี่ตัดสั้นไม่มันก็ต้องมันก็ต้องตัดสั้ก่อนตายและนะ้วก่อนที่จะหมดลมหายใจเพราะตายแล้วนี่ทำงานไม่ได้แนละ้วคำถามจากคุณรงชัยคะ่ะเราจำเป็นต้องมีพระอาจารย์คอยกำกับดูแลการภาวนาไปตลอดหรือไม่ครับหรือ ภาวนาไปเองเรื่อยๆแล้วนานๆจึงไปกราบเรียนถามสอบความก้าวหน้าเป็นระยะๆอย่างไรจึงจะเกิดผลดีไม่ผิดทางไปครับก็อยู่ที่เราว่าเราจำเป็นจะต้องมีท่านคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหรือไม่ถ้าเราคิดว่าเราดูแลตัวเราเองได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเราไปพอเราไปถึงจุดที่เราคิดว่าเราดูแลตัวเราไม่ได้เราก็เข้าหาอาจารย์ให้ช่วยช่วยดูแลให้ช่วยแนะนาสอนให้ต่อไป ส่วนใหญ่ถ้าดูแลตัวเองได้จะดีกว่าเพราะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นนี้มันยังดูแลตัวเองไม่ได้สมบูรณนะ์เพราะยังมีอโมหะอวิชชาครอบงำใจอยู่ซึ่งบางทีถ้าไม่มีคนมาคอยช่วยก็อาจยังจะไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือถ้าจะแก้ได้ก็อาจจะยากแล ะ, ะนานกว่าเวลามีคนมาช่วยบอกแนววิธีแก้ให้คําถามจากคุณอัชาราค่ะ การขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งควรต้องทำทุกๆครั้งที่มีทุกข์ใหม่เจ้าคะไม่ต้องหรอกไม่เคยขอเขาทำไมล่ะอย่าไปทำเวรทากรรมสิ mm hmm. ถ้าไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอะองสร้างเวรสร้างกรรมแล้วไปขออโหสิ mm hmm. ถ้าเขาไม่ให้จะเราเราจะทำยังไง mm hmm. เราจะไปสั่งเขาได้หรือว่าถ้าเราขอแล้วเขาจะอโหสิให้กับเรา mm hmm. เช่นเราเป็นเราเป็นหนี้รับเราไปขออโหสิช่วยยกหนี้ให้ครับให้กับผมหน่อยได้ไหมมีใครก็จะยกหนี้ให้เราบ้างใช่ไหมอย่างนั้นก็อย่าไปมีหนี้ก็แล้วกันอย่าไปสร้างเวรสร้างกรร ม, นน ม, มหมดแล้วเรครับอาจารย์การอาโหสินี้มันอาจจะเป็นเป็นการปรับความเข้าใจกับบุคคลที่เรามีปัญหากันก็ได้บอกว่า กับผมไม่มีความตั้งใจหรือทำไปแล้วผิดพลาดนะอยากจะขอให้อภัยส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่นั้นเราก็ไม่ถือเป็นความสำคัญอย่างน้อยขอให้เราได้ระบายความรู้สึกภายในใจของเราไปเพื่อความสบายใจของเราเท่านั้นเองส่วนเขาจะไม่โหสิแล้วก็พร้อมที่จะรับโทษที่เราทำกับเขาต่อไปยังไม่มีคาถามคัะระอาจารย์ เป็นวิธีที่ดีที่สุดก็อย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครเวลาโกรธใครก็อย่าไปทําร้ายเขาเวลาโกรดนี่เราอาจจะคิดว่าเราถูกนะเขาแต่พอเราไปทําร้ายเขาแล้วเขาก็จะคิดว่าเราผิดเพราะเขาเจ็บตัวแล้วเขาก็จะมาจองเวรจองกรรมเราพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เรื่อยๆว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเคยด้วยการให้อภัย ใจก็ทําให้เราโกรธก็เอาโหสีกรรมไปอย่าไปถือสาอย่าไปตอบโต้แล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องมาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราถ้าเราทําเวรเราเรากลับไปทําเขาเขาอาจจะกลับมาทําเราอีกและจะแรงกว่าเก่าด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือนิ่งเฉยเสียให้นึกว่าเวลาที่เราจะกับเหตุการณ์ไม่ดีเอ ที่เราไปเจอคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าเรากลายคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเจอคนที่ชอบด่าเราก็บอกดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเจอคนที่ชอบตีเรา่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเจอคนที่ฆ่าเราก็ดีแล้วเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนบางคนต้องเสียเงินตายก็มีต้องไปจ้างให้ไปซื้อยาพิษมากินไปจ้างให้เขามาฆ่าตนเอง นี่เราอยู่ดีๆก็มีคนมาบริการ<ม>วันในที่สุดชีวิตของคนเราทุกคนก็ต้องสู่การสิ้นสุดลงน<ม>ะการตายมันก็จะได้หมดทุกไปไม่จะนั่งไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องค<ม>่าใช้จ่ายหาเงินหาทองจ่ายภาษีจ่ายอะไรมมไม่ต้องมากังวลกับแฟนต้องกังวลกับลูก<ม>ถ้ามองในแง่ดีความตายมันก็ดีหลายอย่างนะมัน ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กันแบบที่เราทุกกันอยู่ในขณะนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปตอบโต้กับใครอยู่กับใครได้ทุกทุกระดับคนที่เกลียดเราเราก็อยู่ได้คิดอ่าเขาเพียงแต่เกลียดเราก็ยังไม่ด่าเราไอคนที่ชอบด่าเราก็ดีแล้วมันยังไม่ทุบตีเราไอคนที่ตีเราก็ดีแล้วมันยังไม่ฆ่าเราไอคนที่ฆ่าเราก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเจอมันอีกจะได้หมดเวรหมดกรรมวันสักที คิดแบบนี้แล้วเราจะสามารถอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวั่นไหวมีคำถามค่ะไม่ีมีนะ ม, มีคำถามครับคำถามจากพี่ตุ้มค่ะการรักษาศีลห้าหรือศีลแปถือว่าเป็นการทำทานด้วยไหมครับไม่หรอกการรักษาศีลก็เป็นการละเว้นกายการะทำบาปเช่นเราไม่ไปฆ่าผู้ไม่ไปทำร้ายไม่เอาทรัพย์สินของผู้ไม่ถือว่าเป็นการทาทาน ยกเว้นว่าเป็นการอภัอยทานในกรณีที่เราจะคิดไปฆ่าเขาแล้วเราเปลี่ยนใจว่าไม่ฆ่ามันดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าอภัยทานคือไม่จองเว้นกันได้แต่ทั่วไปแล้วมันหมายถึงการลาเว้นจากการการะทาบาปไม่ได้เป็นการทำทานเนีำถามจากคุณสุภัทราค่ะขณะที่เรายังเป็นมนุษย์เราจะหลุดพ้นจากสิ่งใดเจ้าคะ การหลุดพ้นจากจิตจากใจของตัวรู้ตัวอยากทั้งหลายนี่ถูกไหมเจ้าคะไหนถามใหม่ซิการที่เราขณะที่เรายังเป็นมนุษย์เราจะหลุดพ้นจากสิ่งใดเจ้าคะการหลุดพ้นจากจิตจากใจจากตัวรู้ตัวอยากทั้งหลายนี่ถูกไหมเจ้าคะเราหลุดพ้นจากความทุกข์ไหม ตอนนี้ใจเราทุกกันทุกคนก่อนมาเราทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายถ้าเรามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามไม่ทุกข์กับการพัดพาคจากกันนี่คือสิ่งที่เราจะหลุดพ้นได้ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณช่วงโชคค่ะการที่เราไปทำบุญทำทานหรือปฏิบัติธรรมมาและโพส์ใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียให้คนอื่นอนุโมทนากับเราถือว่าเป็นการสมควรไหมเป็นการสร้างมานาอัตตาไหมครับไม่เหรอามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปโพทนาบอกคนอื่นเขาการที่เราใช้คนอื่นอนุโมทนากับเรานี้มันมีกรณี เชราเป็นลูกจ้างเขาเราก็บอกหัวหน้าว่าผมจะลาไปทำลาา ง, งานพรุ่งนี้ไปทําบุญขอให้หัวหน้านุโมทนาอนุนาาน ญ, ญาตให้ผมไปทําบุญอย่างนั้นต่างหากความหมายไม่ใช่ว่าไปทําบุญกลับมาแล้วก็บอกโอ้ไปทําบุญมาคุณต้องอนุโมทนากับเราเขาเป็นบ้าหรือเปล่าใช่ไหมเขาไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวอะไรกับเราเท่าหน่อยนะหมจรงแต่ว่าเป็นการเป็นการบอกบุญอย่างหนึ่ง ที่ก่อนที่เราจะไปทําบุญเราก็บอกว่ า, าปีนี้จะไปท่ากระถิ่นที่วัดนั้นนะคนที่ก็รู้จักคาราลงทีพอดีเขาอยากจะทําบุญกรถินแล้วเขาไม่สะดวกที่จะไปเองเขาบอกอย่างนี้ขอฝากนั้นไปทําบุญกระถินด้วยนะ อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญนี่คือความหมายของการอนุโมทนาบุญคืออย่าไปขัดขวางคนที่เขาทําบุญพูดง่ายๆให้กําลังใจกับคนที่เขาทําบุญ ส่งเสริมเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่อยู่ในฐานะของเราถ้าเป็นเจ้านายอยรัฐบาลประเทศไทยนี้<ม>เขา<ม>ข้าราชการนี้รัฐบาลอนุโมทนากับผู้ที่ลาบุญ <Yeah. S 1> อ น, นุญาตให้ลาบวชได้สเดือนแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยไม่ตัดเงินเดือนอันนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญ <Yeah. S 1> เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการจะทําทบุญได้ทําบุญอย่างสะดวกได้ไดาย yeah. อย่าไปขัดขวางอย่าไปห้ามว่าคุณลา ง, งานไม่ได้ต้องสามเดือนนถ้าไปทำกับเอกชนนี่เขาไม่ให้ลาสามเดือนนะแต่ถ้าทำเป็นค้าราชการนี้เขาให้ลาได้สามเดือนด้วยกันนี่คือความหมายของอนุโมทนาบุญไม่ใช่ไปบอกคนนั้นคนนี้วันนี้ผมไปทำบุญที่นั่นที่นี่คุณต้องสาธุสาธุนะแล้วมันได้อะไรมันก็ได้แค่ปากั้างใน คนจะบอกก่อนไปดีกว่าว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทำบุญที่วัด น, นั้นเดี๋ยวคนเออเดี๋ยวขอฝากเงินไปสักร้อยนึงนะโอนเงินเข้าบัญชีให้อะไรอย่างนี้เขาก็จะได้ทำบุญด้วยเขาจะได้รับความสุขจากการทำบุญของเราด้วยได้ร่วมบุญกับเราคำถามจากคุณเอนจอยค่ะมีความคาดหวังจากพ่อแม่อยากให้ช่วยเหลือน้องเรื่องนี้เราลำบากใจจะช่วยเคยช่วยไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นเราเองไม่ช่วยก็ไม่สบายใจ จะพยายามรักษาใจให้ไม่ทุกข์เป็นปกติอย่างไรครับก็คิดว่าเป็นการช่วยแม่ก็แล้วกันเพราะว่าแม่เขาจะได้สบายใจ <S <S หรือให้เงินแม่ไปก็แล้วกันแล้วว่าแม่แล้วแต่แม่จะไปจะให้มันหรือไม่ให้มันก็เรื่องของแม่โยนภาระาไปให้แม่ก็แล้วกัน <S <S แต่หนูขอทําบุญกับแม่แต่ผมไม่ขอทําบุญกับน้องเพราะเห็นผมเห็นว่าช่วยมันแล้วมันก็เท่านั้น <S <S ต้องให้มันรู้จักเข็ดลาบบ้างให้มันขึ้นตัวเองบ้าง ถ้าแม่อยากจะช่วยมันผมก็ยินดีที่จะให้เงินแม่แต่ผมให้แม่เนะี่ยผมไม่ให้เขาหรอกแล้วแต่แม่จะไปทํำยังไงต่อไปคําถามจากคุณนิภาค่ะจุดสูงสุดของการภาวนาพุทโธจะมีลักษณะอาการแบบไหนคะถ้าเราเรียนพุทโธค่ะอ๋อมันก็จะต่ำมันก็จะลงมาต่ําสุดเลยมันก็จะตกหลุมตกบอ่อตกเขวลงมานี่นคือจุดสูงสุดของการบริกรรมพุทโธ พอพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปปุ๊บเดี๋ยวมันวูบลงมาจากเหมือนจากที่ตกมาจากตึกแต่มันไม่กระแทกพื้นเพราะว่าไม่มีพื้นยี่ห้อหนึ่งกระแทกลงมาแล้วมันก็เจออุเบกขาเจอความสงบเจอความสุขเวลาพุโทโธไปคนส่วนใหญ่ถ้าพุโทโธมันจะมันจะตกตกหนุมตกบอตก่อตกเขวกันแต่ถ้าดูลมหายใจนี่มันจะลงไป็นขั้นๆลงทีลนิดลงทีหน่อยเป็นขั้นๆ คำถามจากพี่ตุ้มค่ะเวลานั่งสมาธิทุกครั้งรู้สึกว่ามีอาการเจ็บปวดตรงหน้าผากบ่อยๆมีวิธีแก้อย่างไรได้บ้างครับถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งก็ไม่ต้องไปแก้มันหรอกมันเป็นกิเลสมันกิจเป็นนิวรนที่มาคอยขวางกั้นเราแสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่พอมีน้อยมากก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเดินนา น, านๆเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วลองกลับไปนั่งดูใหม่น่าจะแก้ปัญหาได้ หรือถ้านั่งแล้วมันเป็นลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งสวดมนต์ไปหรือนั่งระลึกถึงอาการสาสบสองไปก็ได้จิตมันอยากจะมีอะไรทำมันก็เลยเออมันก็เลยพอมันไม่ได้ทำมันก็เลยมาสร้างอาการปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมาเพราะมันมีงานทำแล้วหนมันก็เลยเพลินกับงานมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดก็ได้คำถามจากพี่ตุ้มค่ะการที่เราถวายน้าชาแด่พระที่เป็นรูปปั้น ท่านจะทานได้หรือไม่ครับสงสัยมานานแล้วเพราะทุกครั้งที่ถวายน้ำชาในแก้วจะลดเหลือครึ่งหนึ่งทุกครั้งครับอลองปิดแก้วดูว <c oughs> ครับต่อไปแล้ว <c oughs> ต้องมานั่งเฝ้าดูว่าใครมากินาบางทีนกหรืออะไรมากินก็ได้ถ้าเราไม่นั่งเฝ้าเราก็จะไม่รู้ว่าใครกินนั่งเฝ้าดูว่าพระพุทธรูปท่านกินหรือเปล่าน้าชาที่เรามาตั้งไว ถ้าไม่นั่งเฝ้าเราก็จะไม่รู้ของนี้พิสูจน์ได้เนี่ยหรือต้องตั้งกล้องไว้ก็ได้หรือมีกล้องใช่ไหมกล้องคอยจับดูว่าใครจะมาขโมยของขโม ย, โมยน้ำชาแก้วนี้หมดคำถามหมดขจารหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, อาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิพพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอทาทุก